โรคธรรมะโรคธรมพะเป็นโรคทางจิตชนิดหนึ่งนอกเหนือจากการตรวจพบของนายแพทย์ทางร่างกายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบและทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีเศษมาแล้วสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระยาวชิรายาณะวะโรรสทรงแปลเป็นภาษาไทยว่าความหัวดือ้อโรคธรรมพะเป็นเครื่องขัดขวางความก้าวหน้า และทำความมัวหมองแก่ผู้หวังความรุ่งโรดทั้งหลายคนที่หวังความก้าวหน้าและความแจ่มใสควรศึกษาอาการของโรคนี้ไว้บ้างทุกคนที่ตกมาถึงปูนนี้คือปูนที่จะอ่านบทความได้แล้วคงจะเคยพบเคยเห็นคนดือ้อเคยปกครองคนดือ้อหรือบางทีท่านเองก็จะเคยทดลองความดื้อมาแล้วจึงหวังได้ว่า ทุกคนคงจะรู้จักอาการของโรคทำพระหรือซึ่งเรียกในภาษาไทยว่าความดื้อนั้นพอสมควรไม่ต้องพนันนาให้มากความดื้อมีสองประเภทคือประเภทที่1ดื้อดึงประเภทที่สองดื้อด้านดื้อประเภทหนึ่งเมื่อเกาะผู้ใดเข้าแล้วมักทําให้ผู้นั้นเป็นคนเบื่อคําสอนฟังคําสอนตักเตือนไม่ได้แสลงกับโรคนี้ และชอบชุดลากคนอื่นให้มามีความคิดความเห็นเข้ากับตนเสมออาการที่แสดงออกมาภายนอกคือเป็นคนชอบค้านชอบเถียงทงั้งทั้งที่รู้ว่าคำแนะนำของผู้อื่นเป็นการถูกต้องแล้วฆ่าต่อผู้ใหญ่กว่าซึ่งเถียงต่อหน้าไม่ได้ก็นึกเถียงในใจและลับหลังเว้นแต่ผู้เริ่มป่วยหรือผู้ที่บำรับโรคนี้ได้มากแล้ว ไม่มีการแสดงภายนอกแต่ถ้าเจ้าตัวสังเกตให้ดีก็พอจะรู้ว่าเมื่อได้รับการแนะนำตักเดือนจากผู้อื่นคือส่วนมากผู้เสมอกันหรือน้อยกว่าตนวิธีความคิดจะหักสะบั้นลงชั่วครู่หนึ่งบางทีมีอาการไม่ชอบการอบรมสั่งสอนของคนอื่นนิ ด, นดแต่ก็พอฝืนใจทำไปได้โดยไม่แสดงอาการผิดปกติออกมาภายนอกเลยคือดื้อประเภทนี้ ชอบดึงคนอื่นเข้ามาหาตัวจึงเรียกว่าดื้อดึงดื้อประเภทสองคือดื้อด้านบางทีข้าพเจ้าเรียกว่าดื้ออ่อนหรือดื้อไหนคือดื้อประเภทนี้เก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้เสียข้างในไม่ว่าใครจะสั่งสอนอย่างไรครับกระผมได้เรื่อยแต่ไม่ทำเอาเฉยๆว่าให้เจ็บก็ไม่เจ็บว่าให้อายก็ไม่อายไม่ใช่เพราะใจหนักแน่น แต่เพราะใจมันด้านเสียแล้วคำว่ากล่าวตักเตือนของคนอื่นไม่พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนผิวตรงที่ด้านๆยิกพอดีพอร้ายไม่รู้สึกเพราะฉะนั้นดื้อประเภทนี้จึงเรียกว่าดื้อด้านคนเราลงได้ดื้อแล้วไม่ว่าจะดื้อประเภทหนึ่งหรือดื้อประเภทสองไม่ดีทั้งนั้นแต่จะกำหนดโทษเป็นอัตราตายตัวลงไปได้ยาก ในทางตำรับตำราก็ยังนึกไม่ออกว่ามีการกำหนดโทษไว้รู้แต่ว่าความดื้อเป็นมารร้ายแห่งความก้าวหน้าในทุกๆ ท, ทางไม่ว่าทางโลกทางธรรมกำหนดเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันคือเรานึกหรือสมมุติเอาความดีความเจริญทั้งหมดในชีวิตของเรามารวมกันไว้แล้วทำลายความดีความเจริญเสียทั้งหมดเราจะได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่ โทษของความดื้อนี้มีค่าเท่ากับความเสียหายนั้นที่ว่าความดื้อไม่ดีนั้นประการสาคัญคือมันคอยขัดขวางความก้าวหน้าทุกประตูร้ายกาจนักโรคทางกายมีโรคกรรมเวนอยู่อย่างหนึ่งคือโรคเจ็บในปากในคอชนิดใครเป็นแล้วรับประทานอาหารไม่ได้เป็นการบั่นทอนสุขภาพและขัดขวางความเติบโตของร่างกายเมื่อถึงโรคทางจิต โรคธรรมพะนี้ก็น่าจะเป็นประเภทโรคกรรมโรคเวนเพราะมันปิดกั้นความดีทั้งหลายที่จะหลั่งไหลามาสู่ตัวเราสังเกตดูให้ดีคนดื้อมักจะโซมลงเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีใครครบผลที่สุดก็ดักด่านท่านแต่เก่าสอนให้ดูแมวเป็นตัวอย่างท่านว่าในบรรดาสัตว์ประเภทเดียวกันแมวเป็นสัตว์ที่ดื้อ ม, มากไม่มีใครฝึกได้ ว่างๆลองฝึกตัวเองบ้างก็ได้จับแมวยืนไว้แล้วจับหนังตรงหลังมันดึงให้มันโก่งหลังมันจะแอ็นหลังลงทันทีครั้งเราจับหนังท้องดึงจะให้หลังมันแอ็นมันกลับโก่งหลังขึ้นจับหัวดึงจะให้เดินหน้ามันถอยหลังครั้งจะดึงหางให้ถอยหลังจริงๆมันกลับตะกุยไปข้างหน้าเห็นจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังจึงไม่เห็นมีคนจูงแมวเดิน เพราะมันเป็นสัตว์ที่จูงไม่ได้ถ้าใครขืนเอาเชือกผูกคอจูงมันก็มีแต่จะถอยหลังเท่านั้นคราวนี้เรามาพิจารณาดูฐา น, นะของแมวบ้างว่าโดยทั่วไปแมวเป็นสัตว์ที่ได้รับการชุบเลี้ยงใกล้ชิดมนุษย์ยิ่งกว่าปะสุสัตว์ใดๆกินอยู่หลับนอน บ, นบนบ้านกับคนได้รับอนุญาตพิเศษเข้านอกออกในได้ทุกเวลาไม่มีใครขัดขวางคือยกเว้นแต่ในครัว แม่ครัวเขาห้ามบางทีมันตีสนิทขึ้นไปนอนกรนพืชๆอยู่บนที่นอนของนายก็ไม่มีใครว่าอะไรมันเป็นสัตว์ที่โชคดีจนน่าอิจฉาแต่เพราะข้าที่มันดื้อมันจึงไม่มีอะไรดีขึ้นเกิดมาเป็นแมวแล้วก็คงเป็นแมวจนตายมีลูกมีหลานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คงเป็นแมวตามเคยการจับหนูก็เป็นสัญชาตญาณหาอาหารของมันเอง ไม่ใช่เจตนาบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ใดแม้ไม่เคยทำงานช่วยประเทศชาติแม้แต่ในนิทานโบราณก็จำไม่ได้ว่าแมวเคยรบกับใครชนะหรือเคยเหาะเหินเดินอากาศหรือเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพยาศัตว์ในหนังสืออ่านเล่นของเด็กๆ ก, ก็กล่าวไว้เพียงว่าเข้าแข้งเขาขาหน้าอินด ah ูเท่านั้นเองสมัยปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นสมัยหนังสือพิมพ์ลงข่าวซอกแซกก็ไม่ปรากฏว่ามีการเสนอข่าวเกี่ยวกับแมวที่จะพอสนใจยิ่งพูดไปมากเขียนไปมากแมวยิ่งจะเกลียดขี้หน้าผู้เขียนมากขึ้นทุกทีแต่เรื่องของเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสัตว์อื่นๆฝึกได้มีถมไปยิ่งฝึกได้ดีเท่าไหร่ฐานะและค่าของตัวมันยิ่งสูงขึ้นวัว ควายช้างม้าฝึกได้ทั้งนั้นลิงในป่าเอามาฝึกเล่นละครได้ท่านที่เคยไปเที่ยวเขาดินในระยะนี้คงจะได้เห็นลิงซิมแฟนซีเขาฝึกได้เกือบจะเป็นคนอยู่แล้วเวลากินอาหารนั่งเก้าอี้ล้อมโตะ๊ะใช้ซ่อมแท่งผลไม้กินเรียบร้อยและสุภาพที่สุดอิ่มแล้ววางซ่อมไว้พนมมือไหว้คนเลี้ยงเสร็จแล้วช่วยกันยกเก้าอี้ไปเก็บ เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยไปดูสวนสัตว์ทนบรุรีเขาเขียนป้ายบอกไว้ว่าซื้อมาจากอเมริการาคาตัวละสองมืนบาทนี่ก็เป็นสัตว์ป่าแท้ๆสมัยนี้สุนัข ก, ก็ทำหน้าที่เป็นตำรวจได้มันตามจับผู้ร้ายได้ดีเป็นการช่วยชาติบ้านเมืองสัตว์อื่นๆก็มีอีกมากเล่าไม่รู้จบยิ่งเล่ามากแมวก็ยิ่งแย่ลงไปทุกทีเลยจะทาให้ท่านผู้อ่าน ลอยแอนตี้แมวไทยไปด้วยจะบาปแก่ผู้เขียนรวมความว่าแมวนั้นโชคและโอกาสอํานวยทุกอย่างแล้วติดอย่างเดียวคือความดือ้อเลยดักดานไม่ก้าวหน้ากับเขาถึงคนเราก็เถอะใครลงได้ดื้อเกินตัวแล้วก็ดักดานเหมือนแมวนั่นแหละในทางการปกครองคนโง่คนเกียดคร้านคนมายา ว, ว่าปกครองยากแต่เมื่อเอามาเทียบกับคนดื้อแล้ว คนพวกนั้นแพ้หมดเลยคนดื้อเป็นผู้ชนะในทางการปกครองยาวที่สุดในโลกอนนัโรคธรรมภานี้ถ้าเป็นประเภทติดต่อได้เพราะคนดื้อประเภทหนึ่งชอบหาเสียงชอบกวาดคนอื่นมาเป็นพวกเลยทําให้การปกครองรวนได้ส่วนประเภทที่สองไม่มีการติดต่อไม่เป็นภัยสังคมแต่ถ้าพูดถึงการอบรมสั่งสอน ข้าพเจ้าสมัครอบรมคนดื้อประเภทหนึ่งมากกว่าประเภทสองเพราะคนดื้อดึงนั้นลงได้จำนวนด้วยเหตุผลแล้วเป็นเสร็จเรื่องใช้เป็นกาลังในการช่วยอบรมได้อีกด้วยในไหนก็พูดถึงโรครายนี้แล้วถ้าไม่พูดถึงวิธีแก้เสียเลยก็จะเป็นการบกพร่องเลยขอต่อสักนิดเถอะวิธีแก้โรคธรรมภก็ต้องทำเป็นขั้นๆให้เหมาะกันจึงจะได้ผลเหมือนกับวิธีดัดไม้ดัดเหล็ก ถ้าของที่จะดัดนั้นอ่อนดัดง่ายก็ใช้มือนิ่มๆนี่แหละดัดเอาดัดเอาประเดี๋ยวก็เสร็จแต่ถ้าแข็งมากดัดดิบๆไม่ได้ก็ต้องใช้ของร้อนช่วยเหมือนดัดไม้แข็งต้องล่นไฟให้ร้อนแล้วจึงดัดถ้าแข็งมากจริงๆก็ถึงกับเอาไฟเผากันทีเดียวเช่นดัดเหล็กกว่าจะเป็นมีดเป็นขวานได้ต้องเผาให้แดงแล้วใช้ค้อนเหล็กทุบตีเสียยับเยิน การดัดคนก็เหมือนกันดื่อมากก็ลำบากมากดื่อน้อยก็ลำบากน้อยคนว่าง่ายสอนง่ายใช้ลมปากเย็นๆหวานๆก็ดัดได้อย่าใช้ความร้อนถ้าร้อนมากจะเสียผลแต่ถ้าดื่อมากดัดเย็นไม่ได้ผลก็ต้องดัดร้อนคือปรุงลมปากให้ร้อนเผาหัวใจก่อนแล้วค่อยๆดัดคือสอนถ้าดื่อมากจริงๆก็ต้องเอาส่งโรงดัด ซึ่งมีอยู่ตามจังหวัดต่างๆอยู่แล้วสัก5าเดือน6เดือ น, อนแล้วแต่ ก, กรณีเรือนจำต่างๆกันถ้าจะพูดในทนัศนนี้ก็คือโรงดดัคนหรรือโงพยาบาลแก้โรคคัมภาาะานั่นเองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้ารู้ตัวว่ามีโรคพันอย่างว่านี้รีบรักษาเสียดีกว่าก่อนที่จะถูกส่งโรงพยาบาล